วันนี้พวกเราก็ได้มาแร่งความเพียรกันเพราะความเพียรเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการปลดท้นจากความทุกข์สำคัญต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนังมีคำพูดที่พูดไว้ว่า หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นความเพียรจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างมากถ้าเราไม่มีความเพียรเราจะไม่สามารถทาอะไรให้สําเร็จได้ ดังนั้นเราต้องบังคับตัวเราให้ทำความเพียรเช่นเราต้องกำหนดเวลาตารางว่าเวลานี้จะทำอะไรถ้าเราไม่กำหนดเวลาเวลามีก็จะเสียไปเพราะใจเราจะมักจะไปทำ สิ่งที่ไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐดังนั้นเราต้องบังคับตัวเราเองให้มีความเพียรในเบื้องต้นก็ให้เพียรศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันฟังเทศฟังธรรม อยู่เรื่อยๆในขั้นต้นก็ทาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้คือให้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมในวันพระวันธรรมสวรรควันธรรมสวนก็แปลว่าวันฟังธรรมนี่เองพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าถ้าไม่ได้ทรง บัญญัติวันพระวันธรรมสวรรให้แก่พุทธบริษัทศัทธาญาติโยมก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเพียรฟังเทศฟังธรรมกันเพราะจะถูกภารกิจการงานการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่าง ผูกติดเอาไว้จนไม่มีช่องว่างที่จะออกมาฟังเทศฟังธรรมได้เลยดังนั้นจึงทรงบัญญัติวันธรรมิสวนะขึ้นมาทุกเจ็ดวันบ้างแปดวันบ้างหกวันบ้างตามปฏิทินจันทรคติคือวันขึ้นแรงแปดค่ำ สิบห้าคำหรือสิบสี่คำเป็นวันที่ชาวพุทธเราจะหยุดภารกิจการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าวัดเพื่อมาสร้างความเพียร ในระดับต่างต่างกันบางท่านก็เข้ามาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญใส่บาตมารักษาศีลมาภาวนามาถืออุโบสดศีลนอนค้างอยู่ที่วัดบําเพ็ญจิตตะภาวนาสลับกับการฟังเทศฟังธรรมไปจน ถึงเวลารุ่งอรุณของวันใหม่ถึงจะออกจากวัดเพื่อกลับไปทำภารกิจการงานต่างๆการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะจะเป็นการเปิดประตูของมรรคผลนิพพาน ให้แก่เราที่ไม่รู้จักมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรเป็นการให้เราได้เข้าพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเป็นผู้ที่จะนำทาง ให้ผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นกันถ้าไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระอริยสงฆ์สาวก ทั้งหลายก็จะไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสต่อการปฏิบัติเพื่อการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในสมัยปัจจุบันนี้เราก็มีหลวงตาท่านเป็นตัวอย่างก่อนที่ท่านจะบวช ท่านก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจิตใจของท่านก็มุ่งไปที่การทํามาหากินเป็นชาวนาช า, ชาวไร่ก็ไปนาไปไร่ เพื่อไปปลูกข้าวปลูกพืชอะไรต่างๆก็ไม่รู้จักเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธประวัติอันดีงามอันประเสริฐไม่รู้จักพระประวัติของหลวงปู่มั่นแต่พอได้บวชเพื่อทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชเพื่อที่จะ อยู่ไปตลอดเป็นพระไปตลอดแต่บวชเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณตามความเชื่อของชาวพุทธเราที่ลูกจะต้องตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาด้วยการออกบวชแต่พอได้บวชแล้วก็มีความภาคเพียรที่จะศึกษา พอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังเรื่องของพระสาวกเช่นหลวงปู่มั่นก็ทําให้ท่านเกิดมีศรัทธาขึ้นมาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เกิดอิทธิบาที คือเกิดฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาฉันทะก็คือความยินดีวิริยะก็คือความภาคเพียนจิตตาก็คือความจดจอ่อวิมังสาก็คือความใคร้ครวนฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาในอะไรก็ในการศึกษาและในการปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพอได้เกิดมีอิทธิบาทสี่ขึ้นมาแล้วจิตก็เริ่มหมุนเข้าหาธรรมะทันทีศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมีความยินดีมีความพอใจมีวิริยะความภาคเพียงที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า มีใจจดจอ่ออยู่กับการศึกษาอยู่กับการปฏิบัติมีความคิดค่อยควรอยู่กับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อมีจิตมีอิทธิบาสิกแล้วผลก็ย่อมเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนจนในที่สุดท่านก็ได้กลายเป็นบุคคล ที่พวกเรากราบไหว้บูชากันอย่างแนบสนิทไม่มีความลังเลสงสัยในพระคุณความดีงามของท่านเลยท่านก็เป็นเหมือนเราตอนที่ท่านเริ่มต้นท่านก็เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับมรรคผล น, ผนิพพาน แต่พอท่านได้เข้าไปสัมผัสได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธประวัติเกี่ยวกับพระอริยะสงฆ์ประวัติและเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเกิดศรัทธาประสาทาเกิดเอธิบาสีท่านก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดได้ตอนที่เรารู้จักท่านก็ตอนที่เป็นตอนที่ท่านได้รับผลต่างๆแล้วแต่ตอนที่ท่านเริ่มต้นเราไม่เคยรู้จักท่านเราก็เป็นเหมือนท่านตอนที่ท่านเริ่มต้น ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรไม่มีมัสมีผลอยู่ในใจของเราแต่เราก็เริ่มมีศรัทธาภาษาธะมีอิทธิบาทสี่มีความพอใจยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติมีความภาคเพลียนมีใจที่จดจอ่อมี ความค่ควรคิดถึงเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นไปตามลำดับไม่ช้าก็เร็วผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนเพราะผลนี้จะเกิดจากการ ศึกษาเกิดจากการปฏิบัติไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเกิดจากการศึกษาปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาที่เป็นธรรมะเป็นเป็นเหมือนขั้นบันไดที่เราจำเป็นจะต้องเดินขึ้นไป ทีละขั้นเดินข้ามขั้นไปไม่ได้เหมือนกับการศึกษาเรียนหนังสือจำเป็นจะต้องเรียนเป็นขั้นไปขั้นประถมขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาหรือการจเจริญเติบโตของร่างกายก็ต้องมีการยืนก่อนที่จะเดินมี ยืนได้แล้วถึงค่อยหัดเดินเดินได้แล้วถึงค่อยหัดวิ่งถึงจะสามารถวิ่งไปไหนมาไหนทำอะไรได้การปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลผนิพพานก็มีขั้นมีตอนเหมือนกันเพราะทำแต่ละขั้นนี้จะเป็นผู้ที่สนับสนุนทำขั้นที่สูงขึ้นไปนั่นเองเช่น สติก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิก็จะสนับสนุนให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาก็จะสนับสนุนให้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถผุดปัญญาเพื่อตัดต้นเหตุของความทุกข์คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีปัญญาตัดกิเลสความโลภความโกร ธ, ค ว, กรธความหลงต่างๆก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ไม่สามารถ บรรลุมากผลที่ผ่านได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องใจเย็นๆต้องทำตามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นแล้วจะเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะจะไม่ได้ผลอะไรเช่นสติยังไม่มีสมาธิยังไม่มีก็จะไปขั้นปัญญาเลยปัญญาก็จะไม่เป็นปัญญาจริง จะเป็นปัญญาปลอมคือจะเป็นสัญญาจะจําได้แต่เวลาที่จะใช้ก็ลืมนึกไม่ถึงเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาก็ลืมนึกถึงปัญญาไปอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมารู้ปัญญาตอนที่ยังไม่โลภไม่โกรธไม่หลง แต่พอเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาก็ลืมปัญญาไปกลับไปทำตามความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้การที่จะไม่หลงไม่ลืมปัญญานี้จำเป็นจะต้องมีสติมีสมาธิก่อนถ้ามีสติมีสมาธิแล้วเวลาพิจารณาอะไร ก็จะติดอยู่กับใจและเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความอยากขึ้นมาก็จะมีปัญญาเข้ามากําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากต่างๆได้ก็จะดับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจได้ ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้ดังนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นที่การจเจริญสติต้องเพียรสร้างสติขึ้นมาอย่างต่อเนื่องต้องทำตั้งแต่เวลาที่เราตื่นขึ้นมาเลยสติก็คือผู้ที่จะมาควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่งนี้เอง ถ้าเราปล่อยให้สังขารความคิดปรุงแต่งคิดไปเรื่อยเปื่อยมันก็จะคิดไปในทางของกิเลสตัณหาเพราะว่าใจของปุตุชนนี้ยังอยู่ภายใต้อํานาจของอวิชชาปัจจยาสังขารานี่เองอวิชชาปัจจะยาสังขาราก็คืออวิชชาเป็นผู้ผลัก ด, ดันเป็นผู้ชักจูงให้คิด ไปในทางของกิเลสตัณหาของความโลภของความโกรธของความหลงคือจะคิดให้ออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกใจให้ออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสผลพธภพะให้ไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลพธภพะแล้วก็ให้เกิดตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพธภพะ แล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่ได้ตามความอยากหรือเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไปอันนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะพาให้ไปสู่ความดับทุกข์แต่เป็นทางที่จะพาให้ไปสู่ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป ดังนั้นเราจึงต้องหยุดอวิชชาปัิยาสังขาราให้ได้ด้วยการเจริญธรรมะปัจจาปาสังขาราคือใช้ธรรมะคือสตินี้เป็นผู้ควบคุมสังขารให้หยุดคิดปรุงแต่งไปในทางกิเลสตัณหาในทางความโลภในทางความอยากต่างๆ ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธเป็นต้นถ้าจิตได้ถ้าสังขารมีแต่บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอวิชชาปัิจยาสังขาราก็จะไม่สามารถทำงานได้เพราะอวิชชาปัิญยาสังขาราและการบริกรรมพุทธโธก็จะต้องใช้สังขารความคิดปุุงแต่งอันเดียวกัน สังขารความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งไปทางการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะไม่สามารถปรุงแต่งไปในทางอาวิชชาปัจจยาสังขาราได้ไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะไม่สามารถคิดไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญได้พอไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะว่าง จเย็นจะสบายถ้านั่งเฉยๆได้ควบคุมความคิดให้อยู่กับการบริกรรมพุทธโธต่อเนื่องได้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิได้เป็นอุเบกขาได้พอใจเป็นอุเบกขาก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าสันติสุขซึ่งเป็นความสุขที่ เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ถ้าได้เข้าพบกับสันติสุขอันนี้แล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายต่อความสุขต่างๆที่เคยได้รับผ่านทางลาบยศสารเสญผ่านทางตาหูจมูกลินกายจะเกิดศรัทธาจะเกิดฉันทะวิริยะที่จะ จเจริญที่จะรักษาอุเบกขารักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้อยู่ไปนานๆให้เป็นถาวรอันนี้ก็จะทําให้เกิดมีกําลังจิตกําลังใจถ้าจิตได้รวมลงเป็นอุเบกขาแล้วจะรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ ที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายนี้ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกใจแต่อยู่ที่ภายในใจอยู่ที่ความสงบของใจนี้เองพอได้พบอย่างนี้แล้วก็จะมีความเพียรพยายามที่จะดึงใจให้เข้าข้างในที่จะรักเพื่อที่จะได้รักษาความสุขที่เกิดจากสงกบความสงบอันนี้ไว เวลาออกมาจากความสงบก็จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับความอยากต่างๆที่ยังไม่ได้ตายไปจากการเข้าไปในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิความอยากต่างๆก็จะหยุดทำงานชั่วคราวเป็นเหมือนกับ หินทับหญ้าสมาธินี้เป็นเหมือนหินหญ้านี้เป็นเหมือนกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างเวลาเข้าไปในสมาธิาธก็เหมือนการเอาหินไปทับหญ้าเอาไว้หญ้าก็จะไม่สามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้แต่หญ้าที่ถูกหินทับอยู่นี้ยังไม่ตายเพราะยังมีรากอยู่ในดิน เวลาเอาหินออกมาหินออกจากหญ้าไปไม่นานพอหญ้าได้รับน้ำน้ำค้างได้นับน้าฝนหญ้าก็จะงอกงามกลับขึ้นเคืนขึ้นมาใหม่ฉะ น, นเวลาที่จิตเข้าไปในสมาธิเข้าไปในความสงบกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะหยุดทำงานชั่วคราว ไม่สามารถทำงานได้เพราะกิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงต้องอาศัยสัญญาสังขารเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานแต่เวลาที่จิตสงบสัญญาสังขารนี้จะไม่ทางานก็เลยไม่สามารถปรากฏออกมาได้แต่พอออกจากสมาธิมา จิตเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มใช้สัญญาใช้สังขารกิเลสตัณหาก็จะแย่งกับธรรมะทันทีถ้าไม่มีสติไม่มีการบริกรรมพุทโธต่อหรือถ้าไม่มีปัญญาคือการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอาวิชชาปัจจยาสังขาราก็จะกลับมาทำงานต่อก็จะคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสปวดพทพะแล้วก็เกิดตัณหาความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผวดพทพะเกิดความอยากที่จะไปหาราบยศสรรเสริญสุขต่อเองดังนั้นถ้าออกมาจากสมาธิแล้วถ้ายังอยากถ้าอยากจะรักษาความสงบความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธินี้ ก็จําเป็นจะต้องใช้สติหรือใช้ปัญญานักษาไว้ถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนเช่นเวลาเข้าสมาธิใช้อะไรเป็นเป็นสติํากัดก็ใช้อย่างนั้นต่อถ้าใช้การบริการพุทโธก็บริการพุทโธต่อถ้าใช้การเฝ้าดูร่างกาย เรียกว่ากายกตาสติก็เฝ้าดูร่างกายต่ออย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆในอดีตก็ดีในอนาคตทีดีก็ดีให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้เช่นรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายรู้การกระทำต่างๆของร่างกายอย่างนี้ก็จะรักษาความสงบความอุเบกขาของ จิตที่ได้จากสมาธิไว้ได้แต่ถ้าแต่มันก็เป็นการรักษาที่ไม่ถาวรเวลาใดที่เผลอไม่ได้ควบคุมไม่ได้บริกรรมพุทธโธไม่มีการจดจอ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมา แล้วพอไปทำตามความอยากก็จะทำให้อุเบกขาความสงบที่ได้จากสมาธินี้จางหายไปได้แต่ถ้าอยากจะรักษาแบบที่จะให้อยู่อย่างถาวรก็จำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาต้องรู้จักการพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆ ที่ใจไปอยากได้เช่นอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลตพะก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคลาวเป็นความสุขชั่วคลาวเวลาที่ความสุขชั่วคราวนี้หมดไปก็จะมีความทุกข์กลับมาแทนที่เป็นอนัตตาก็คือ ไม่สามารถควบคุมบังคับไปสั่งให้ความสุขชั่วคราวนี้เป็นความสุขถาวรได้ดังนั้นถ้าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธภัก็จะต้องไปพบกับความทุกข์เวลาที่เขาเสื่อมไปหมดไปอันนี้ก็จะทำให้ขาดทุนคือได้ไม่คุ้มเสียหนึ่ง ได้ความสุขเพียงชั่วคราวแต่ต้องเสียความสุขที่ได้จากสมาธิไปแล้วก็ต้องมาได้ความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมจากการสูญเสียของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไปเช่นสูญเสียคนที่เรารักสามีหรือภรรยาอย่างนี้เป็นต้น เวลออกจากสมาธิมาก็อยากจะไปมีสามีมีภรรยาก็เลยไปแต่งงานไม่ทำสมาธิต่อมีความสุขกับการแต่งงานอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาไปจนถึงวันที่เกิดการสูญเสียเกิดการพัดพาคจากกันเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ความสุขที่ได้รับจากการอยู่ร่วมกับคนที่รักก็จะหมดไปอันนี้คือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นอนิจจงในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับตนให้เห็นว่าเป็นอนัตตาคือจะไม่สามารถไปสั่งไปบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดเวลา จะต้องมีเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้และเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่จะให้ความทุกข์กับเราแทนเพราะใจของเรายังมีความอยากความทุกข์นี้เกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่เรามีแต่พอสิ่งที่เรามีนั้นไม่มีแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือการพิจารณาทางปัญญาให้เห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้เห็นว่าสิ่งที่อยากสิ่งที่จะให้สิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดถ้าเรารู้จักพิจารณาด้วยปัญญา เวลาที่เราเกิดความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้เราก็จะหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้เราก็จะรักษาความสงบความสุขที่ได้จากความสงบไว้ได้ต่อไปรักษาอุเบกขาได้ถ้าเราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาคือ ในการทำลายความอยากต่างๆพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วปัญญาก็จะหมดหน้าที่ไปไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปถ้าไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมาในใจเหมือนกับการรักษาโรคภายใค้เจ็บ ยาที่รับประทานเข้าไปก็เพื่อที่จะไปทำลายเหตุเช่นเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายไม่สบายพอเชื้อโรคถูกยาทำลายไปหมดแล้วการรับประทานยาก็ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานต่อไปเพราะว่าไม่มีเชื้อโรคให้ยาไปทำลายอีกแล้วรับประทานยาไปก็เปลืองยาไปเปล่ า, าไม่เกิดประโยชน์อะไร การเจริญปัญญากรรจัดความอยากต่างๆกรรจัดความโลภความโกรธความหลังความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจพอได้ทําลายให้หมดไปแล้วก็ไม่ต้องจเจริญปัญญาอีกต่อไปภารกิจของการปฏิบัติก็จะยุติลงเพราะว่าได้ ทำงานได้สำเร็จลุล่วงแล้ววุติตังบ ร, รมเจ้หรืออย่างแล้วแปล ว, ว่ากิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทําอีกต่อไปคือไม่มีกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับกิเลสตัณหาให้ทําอีกต่อไปเพราะไม่มีกิเลสตัณหาที่จะมาสร้างความทุกข์ ที่จะมาสร้างที่จะมาทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธิไปนี่คืองานทางธรรมมีวันสิ้นสุดลงไม่เหมือนกับงานทางโลกทำไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันสิ้นสุดลงเพราะผลที่ได้รับจากงานทางโลกเป็นผลชั่วคราวพอผลนั้นเสื่อมไปหมดไป ก็ต้องทำใหม่ต่อไปเที่ยวก็ได้ความสุขพอความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวหมดไปก็ต้องไปเที่ยวใหม่ไปดืม่มไปรับประทานไปดูไปฟังก็เช่นเดียวกันพอความเสื่อมพอความสุขที่ได้จากการดืม่มการรับประทาน拜拜การดูการฟังหมดไป <ăng. S 1> ก็ต้องกลับไปดื่มไปรับประทาน <c oughs> ไปดูไปฟังใหม่ ก็จะต้องทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ทาก็จะหงุดหงิดนำคาดใจเศร้าซ้อยห้อยเหงาว้าเวกุ้มอกกุ้มใจบางทีถ้าเป็นมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะกระโดดตึกตายคนที่สูญเสียความสุขทางลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกร่งกายไปนี้จะอยากฆ่าตัวตาย และมีการฆ่าตัวตายเป็นตัวอย่างให้เราได้ยินได้ฟังกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานี่คืองานทางโลกทำไปจนแก่ตายก็ยังต้องทำอยู่เพราะความอยากยังไม่หมดไปจากใจอายุจะ90สิบปีร้อยปีถ้ายังทำอะไรได้ก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ ก็จะต้องออกไปนอกบ้านไปเที่ยวบ้างไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานจนกว่าไม่สามารถจะไปได้นอนอยู่บนเตียงเท่านั้นแต่ใจก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นแล้วเวลามีความอยากใจก็จะดิ้นใจก็จะไม่สบายหงุดหงิดนำคาญใจนี่คืองานทางโลกที่พวกเราทำกันอยู่ ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงชวนเชิญให้พวกเราหันมาทํางานทางธรรมกันเช่นวันนี้วันพระก็ให้เราหยุดงานทางโลกไว้หนึ่งวันแล้วมาทํางานทางธรรมกันมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมศึกษาประวัติการดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแล้วจะได้เอามาเป็น แบบฉบับเป็นเยี่ยงอย่างในการดำเนินไปในทางธรรมให้มองว่าท่านเหล่านั้นก่อนที่ท่านจะเป็นบุคคลเลื่อเลิศที่พวกเรากราบไหว้บูชากันท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญปุถุชนอย่างพวกเราแต่ท่านมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า มีศรัทธาความเชื่อในพระประวัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสารมคกเชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามท่านได้เราก็จะเป็นเหมือนท่านได้คือเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะการบรรลุนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัย ไม่ได้อยู่ที่สถานภาพว่าจะต้องเกิดมาเป็นพระอริยะบุคคลเลยทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นค า, ารวะถ้ามีศรัทธามีความเชื่อมีอิทธิบาทศีมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสา ที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาวิธีการเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วก็มีความเพียรที่จะปฏิบัติที่จะเจริญสติสมาธิปัญญาไปตามลาดับผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาเองไม่ต้องไปกังวลกับผลขอให้เรากังวลกับเหตุถ้าเราจะอธิษฐานก็ต้องอธิษฐานที่เหตุ ไม่ใช่อธิษฐานที่ผลเพราะว่าถ้าอธิษฐานที่ผลก็เป็นการขอถ้าอธิษฐานที่เหตุก็เป็นการตั้งใจความหมายของอธิษฐานนี้ความจริงอยู่ที่ความแปลว่าความตั้งใจไม่ใช่อยู่ที่การขอให้ได้ผลนั้นผลนี้ขึ้นมาเช่นส่วนคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการในอธิษฐาน ก็คือการขอเช่นขอให้ได้พระนิพพานขอให้ได้ไบสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ขอให้ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีขอไปยุคจนวันตายถ้าไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาเพราะผลไม่ได้เกิดจากการขอตามที่เข้าใจกัน ผลจะเกิดจา ก, การตั้งใจปฏิบัติเหตุที่จะทําให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาถ้าอยากจะได้มากผลนิพานก็ต้องตั้งใจศึกษาและปฏิบัติสติสมาธิปัญญานี้เองถ้าศึกษารู้ว่าการเจริญสติต้องเจริญอย่างไรรู้ว่าการเจริญสมาธิปัญญาต้องเจริญอย่างไรแล้วก็นําเอามาปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติแล้วผลก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาไม่ต้องไปขอจากใครทั้งนั้นขอก็ไม่ได้เพราะผลนี้เกิดจากการปฏิบัติของแต่ละบุคคลของใครของมันท่านจึงทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สร้างมรกผลนิพพานให้กับตนเอง แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกก็ไม่สามารถสร้างมรรคผลนิพพานให้กับตัวเราเองได้ตัวเราเองจะต้องเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองด้วยการน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายมาเป็นแบบฉบับมาเป็นตัวอยา่างถ้าเราปฏิบัติ แบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาถ้าเราปฏิบัติแบบเดียวกับพระอริยสงสารพปะพร ะ, ะ, ะ, ะสุปฏิปโนทั้งหลายปฏิบัติกันเราก็จะได้รับผลอย่างที่ท่านได้รับผลกันอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่เวลาว่าจะต้องเป็นยุค ข, ของพระพุทธการทท่านั้นที่จะสามารถ ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติจนบรรลุมรคนิพานได้มรคนิพานนี้เป็นอาการิโกเป็นสันติิโกเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถพิสูจน์ได้สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดขอให้เราโอปะนยิโกเข้ามาเท่านั้น คือน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาน้อมเอาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเอาเข้ามาให้เป็นวิธีการปฏิบัติของพวกเราแล้วพอเรามีวิธีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับของพระพุทธเจ้ากับของพระสาวกผลก็จะเป็นผลที่คล้ายคลึงกันเหมือนกัน อย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงต้องบังคับตัวพวกเราเองให้มีความอุตสาหะวิริยะความภาคเพียรในการศึกษาในการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านได้มากระทํากันในวันนี้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้เราได้ก้าว ไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆดาบใดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดาบนั้นก็จะมีผลปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งนั้นอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติตามการศึกษานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องพอวิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไม่มีผลก็จะไม่มียกตัวอย่างเคยมีชาวต่างประเทศคนหนึ่งอยากจะทำข้าวผัดก็ไปเอาเข้าวสารมาใส่กระทะเลยใส่น้ามันแล้วก็เอาเข้าวสารไปผัด ผัดนัก็มันออกมามันก็ไม่เหมือนกับข้าวผัดที่เวลาไปสั่งตามร้านอาหารเพราะว่าไม่รู้จักวิธีผัดข้าวผัดไม่รู้ว่าก่อนที่จะผัดข้าวได้ต้องเอาข้าวไปหุงให้สุกซยก่อนเมื่อหุงข้าวสุกแล้วค่อยเอามาใส่กระทะผัดกับน้ำมันผัดกับผัดผัดกับอะไรต่างๆถึงจะได้ข้าวผัดตามที่เขาผัดกัน แต่พอไม่ได้ศึกษาก็คิดว่าเอาเข้าวสารนี่มาผัดได้เลยพอผัดไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่คาดเอาไว้นี่คือลักษณะของการปฏิบัติโดยไม่มีการศึกษาหรือศึกษาแบบผิดผิดถูกถูกเช่นสมัยนี้ทุกคนรู้สึกว่าจะปฏิบัติข้ามสติข้ามสมาธิกันไป มักจะบอกว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิกันบ้างใช้ปัญญาพิจารณาได้เลยเราเป็นปัญญาชนแล้วเราเข้าใจหลักอริยาาสัจสี่แล้วเราเข้าใจหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไปบริกรรมพุทโธพุทโธให้เสียเวลาพิจารณาไปเลยแล้วเป็นยังไงพิจารณาแล้ว กิเตายไปหรือเปล่าความโลภความโกรธความหลงตายไปหรือเปล่าความอยากต่างๆหายไปหรือเปล่าหรือว่าบรรลุก็บรรลุตามความคาดคะเนว่าตอนนี้ถึงขั้นนั้นแล้วถึงขั้นนี้แล้วแต่ความจริงมันยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเพียงเป็นเพียงแต่การนั่งจินตนาการไปเท่านั้นเองการปฏิบัต สติยังไม่มียังควบคุมจิตไม่ได้ยังทำให้จิตลวงเข้าสู่อุเบกขาไม่ได้เลยแล้วจะมาตู่ว่าตนเองได้บรรลุทาคันนั้นทมคันนี้แล้วนี่ก็คือเรื่องของการศึกษาหรือไม่ศึกษาอย่างละเอียดละออนไม่ศึกษาอย่างถูกต้องคือไม่ได้ศึกษาจากผู้ที่มีประสบะการณ์ ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงศึกษาจากพวกคนตาบอดด้วยกันเป็นเหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดมันก็เลยไม่เกิดผลที่แท้จริงตามมาผลที่เกิดก็เป็นผลที่เกิดจากจินตนาการเป็นส่วนใหญ่จินตนาการคิดไปเองว่าตนเองได้เป็นขั้นนั้นเป็นขั้นนี้แล้วแต่ไม่เคยดูเลยว่า กที่จะต้องตายตามขั้นต่างๆนี้มันตายไปจริงหรือไม่เป็นเหมือนกับการทำการบ้านแล้วก็ให้คะแนนตัวเองไม่ต้องไปสอบให้เสียเวลาอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่ า, เ, าเรียนจบถ้าแน่จริงก็ต้องไปเข้าห้องสอบแล้วให้ผู้อื่นก็เป็นผู้ตรวจ้อสอบ ไม่ใช่ตอนเองเป็นคนสอบแล้วก็ตรวจข้อสอบเองการปฏิบัตินี้มันจะมีขั้นมีตอนแล้วมีการทดสอบทดสอบดูว่าปัญหาต่างต่างที่มีอยู่ในใจนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเช่นวิภาวะปัญหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ยังมีอยู่ในใจหรือเปล่า ทำยังไงถึงจะให้มันหมดไปถ้ามันยังไม่หมดถ้ายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่อันนี้ก็ต้องไปศึกษาจากผู้รู้ผู้รู้ก็สอนว่าให้พิจารณาร่างกายให้เห็นอย่างถ่องแท้ว่าเป็นร่างกายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นร่างกายชั่วคราว เป็นร่างกายที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไม่มีใครไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ถ้ามีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็แสดงว่ายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่นั่นเองถ้าอยากจะทำลายความทุกข์คือความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย ก็ต้องทําลายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้การจะทําลายให้ได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนใจต้องเป็นอุบเบกขาพอใจเป็นอุบเบกขาแล้วใจจะเห็นโทษของความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับใจ ท้าอยากจะไม่ทุกข์ทรมานใจก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้พอหยุดได้ก็จะเห็นประโยชน์ของการที่ได้ละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะจะไม่ทุกข์จะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายต่อไปการที่จะเห็นผลอย่างนี้ก็ต้องไปเจอ ความแก่เจอความเจ็บเจอความตายจริงๆจงจงเจอความเจ็บก็คือเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลานั่งสมาธิไปแล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมาตามร่างกายต่าง ๆ, างๆก็นั่งต่อไปอย่าไปขยับการขยับก็แสดงว่าอยากไม่เจ็บแล้วถึงขยับถ้ามันเจ็บก็นั่งไปแล้วใช้ปัญญาแยก ความเจ็บของทางร่างกายกับความเจ็บของทางใจให้ออกจากกันความเจ็บของทางร่างกายเราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เขาเป็นอนัตตาส่วนความเจ็บทางใจก็เกิดจากความอยากไม่เจ็บนี่เองก็ต้องหยุดความอยากไม่เจ็บนี้ด้วยการยอมรับความเจ็บของร่างกายว่าเราหนีไม่พ้นจะต้องอยู่กับเขา เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะไม่หนีเราก็จะอยู่กับเขาเราก็จะปล่อยให้เขาเจ็บไปเราก็เป็นเพียงแต่รับรู้ความเจ็บไปทำใจให้เป็นอุเบกขาไว้อย่าไปสร้างความอยากไม่เจ็บขึ้นมาภายในใจอยากไปสร้างความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปเกิดขึ้นมาในใจแล้วความเจ็บในใจนี้จะไม่มีถ้าไม่มีความเจ็บภายในใจ ก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายก็จะนั่งอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายอันนี้คือการพิสูจน์ดูว่าเราผ่านเราวละความอยากไม่เจ็บได้หรือไม่วิภวตนา ความตายเราละได้หรือไม่ความกลัวตายความอยากไม่ตายนี่เราละได้หรือไม่เราก็ต้องไปหาความตายไปอยู่ใกล้ความตายดูแล้วดูว่าใจของเราจะเฉยกับความตายได้หรือไม่จะไม่ทุกข์กับความตายได้หรือไม่จะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาได้หรือไม่ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปเป็นอนิจจัง เป็นอนัตตาก็คือไม่มีใครไปห้ามความตายได้ถึงเวลาร่างกายมันจะตายไม่มีใครไปหยุดมันได้ร่างกายของพวกเราทุกวันทุกคนนี้สักวันหนึ่งมันจะต้องตายอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังหรือไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาหรือไม่เห็นว่าเราทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่ตายหรือไม่แล้วเราหยุดความอยากที่จะทา ให้เราเกิดความทุกข์กับความตายได้หรือไม่อันนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะตายเราก็ยังจะไม่รู้เราจึงต้องไปหาสถานที่ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายอยู่เพื่อเราจะได้ดูว่าใจของเรานี้ออยอมรับอนิจจังอนัตตาของร่างกายหรือไม่ อนิจจังก็คือร่างกายนี้ไม่เที่ยงต้องตายอนัตตก็คือไม่มีใครห้ามความตายได้แต่เราห้ามความอยากไม่ตายได้เราจะห้ามความอยากไม่ตายได้หรือเปล่าสิ่งที่เราจะห้ามสิ่งที่เราห้ามได้เรากลับไม่ไปห้ามสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เรากลับพยายามไปห้ามกันมันเลยทําผิดผิดจุดไป จุดที่เราต้องทำก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเราทำอะไรไม่ได้ทาอย่างไรมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ความทุกข์ใจนี้เราทำให้มันไม่ทุกข์ได้ถ้าเราละความอยากไม่ตายได้วิภาวะปัญหาอันนี้ก็คือเรื่องของการพิสูจน์ทางปัญญาทางปฏิบัติจะต้องมีเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วก็ใช้ปัญญาดับความทุกข์ใจนั้นให้ได้ด้วยการพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาของสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเพื่อที่จะได้ละความอยากในสิ่งนั้นให้ได้นั่นเองเช่นความความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บเป็นต้นหรือความอยากไม่ให้คนนั้นจากเราไปคนนี้จากเราไป เรารักเขามากเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาจะไปเราห้ามเขาได้หรือเปล่าเราหยุดเขาได้หรือเปล่าแต่เราห้ามใจเราได้หรือเปล่าอสิ่งที่เราควรห้ามเราไม่พยายามห้ามกันพอถึงเวลาก็จะห้ามไม่ได้แต่ถ้าเราเตรียมซ้อมไว้ก่อนซ้อมใจของเราอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเรา เขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆพอเวลาเขาไปเราก็จะปล่อยเขาได้เพราะเราจะไม่อยากจะทุกข์หลังจากที่เขาไปแล้วเพราะอย่างไรเขาก็ไปอยู่ดีแต่เราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราเองอยู่ที่ว่าเราหยุดความอยากไม่ให้เขาไปได้หรือเปล่าหยุดความอยากให้เขากลับมาหาเราได้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเราหยุดความอยาก นี่ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการไปหรือกับการจากของเขาไปเขาไปก็ปล่อยเขาไปก็เท่านั้นเองเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นเหมือนคนเดิมอยู่ใจอันเดิมอยู่ไม่เห็นสูญเสียอะไรไปเลยแต่เพราะความอยากให้เขาไม่ไปจากเราไปเลยทําให้เราต้องทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่ ต้องมีการศึกษาให้ถ่องแท้ถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถึงจะสามารถที่จะรับผลที่ถูกต้องได้คือผลผลที่แท้จริงได้ไม่ใช่ผลปลอมที่เราจินตนาการคาดคิดกันขึ้นมาเองต้องศึกษาให้ถ่องแท้ต้องศึกษาจากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้า น้าพระอาลามตาสาวกทั้งหลายถ้าศึกษาจากผู้อื่นนี้ก็จะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเวลานําเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลที่ถูกต้องจะไม่ได้ผลที่ควรจะเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องเข้าหาผู้รู้จริงๆ เนี่ยที่ท่านบอกว่าเวลาทำบุญให้เลือกพระก็ให้เลือกแบบนี้เวลาเราทำบุญกับพระที่เป็นพระสุปฏิปโนเราก็จะได้ทําแท้ถ้าเราไปทำบุญกับพระที่ไม่ใช่เป็นพระสุปฏิปโนเราก็จะได้ทําปลอมเราจะได้วิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องผลก็จะผลที่แท้จริงผลที่ถูกต้องก็จะไม่เกิดขึ้นมา ก็จะเป็นผลเทียมผลปลอมผลที่คิดขึ้นกันมาเองบางคนนั่งแล้วพอถูกถามว่าเห็นอะไรก็ต้องบอกว่าเห็นทั้งทั้งที่ว่าไม่รู้ว่าให้เห็นอะไรขเขาก็บอกว่าเห็นไหมก็ว่าต้องเห็นเพราะกลัวว่าถ้าบอกไม่เห็นกลัวจะถูกว่างโง่ไม่ฉลาดไม่เก่งอันนี้ต้องระมัดระวัง การปฏิบัตินี้เราไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการเห็นความว่างเวลาเข้าสู่สมาธิปราศ จ, จากความคิดุูมแต่งเราต้องการเห็นอุเบกขาความนิ่งสงบความเป็นกลางของใจอันนี้เวลานั่งสมาธิคือสิ่งที่เราเอยากจะได้อยากไปอยากได้นรกได้สวรรค์เห็นเปรตเห็นผีเห็น เห็นอดีตชาติเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของจริงแต่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อาการดับความทุกข์เป้าหมายของพวกเราอยู่ที่การดับความทุกข์อยู่ที่การเข้าสู่พระนิพพานการเข้าสู่พระนิพพานก็คือการเข้าสู่การดับทุกข์ที่ถาวรนี่นั่นเองแต่ถ้าเราได้ไปสวรรค์ดได้ไปเที่ยวนรก ได้ไปพบกับเทวดาอินพรหมได้พบกับเปรดได้พบกับอสูรกายอันนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรก็เหมือนกับเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆผ่านทางร่างกายเที่ยวแล้วก็จะกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ <c oughs> ก็มีอยู่เหมือนเดิมและอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นว่าจะเกิดความอยากไปเที่ยวต่อ ถ้านั่งสมาธิแบบนี้แล้วก็จะติดจะไม่มีวันที่จะก้าวขึ้นสู่ทางปัญญาได้เพราะไม่มีอุเบกขาทำเป็นเครื่องสนับสนุนนี่คือขั้นของสมาธิอย่าไปเห็นอะไรต่างๆเห็นก็อย่าไปตามรู้ให้เกาะติดอยู่กับการภาวนาถ้าใช้พุทโธก็พบพุทโธต่อไปใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจต่อไป หรือถ้ามีสติดินใจให้กลับก็ามาหาผู้เบกขาหาตัวรู้ได้ก็เดินกลับมาที่ตรงนั้นอย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้แล้วใจจะได้ไม่หลงทางไม่ไปผิดทางใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เข้าสู่ความว่างเข้าสู่ปรมังสุนยังเข้าสู่ปรมังสุขขัง ปรมังสุขขังก็อยู่ตรงปรมังสุอยังนี่เองอยู่ที่ความว่างพอออกจากความว่างก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นอริยสัจ ส, สีให้เห็นตายลักษณ์นี่คือสิ่งที่ต้องการให้เห็นในขั้นของปัญญาไม่ใช่เห็นเกิดดับเกิดดับแต่ไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของการเกิดดับเกิดดับนี้ว่ามันมีเกี่ยวข้องอะไรกับ อริยสัจสีหรือไม่เกี่ยวข้องกับความอยากหรือไม่เห็นการเกิดดับเกิดดับแล้วดับความอยากได้หรือเปล่าหรือเห็นแล้วก็เวลาเกิดความอยากก็ไม่ได้เอาเอาสิ่งที่เห็นเห็นว่าเกิดดับนี้มาใช้ดับความอยากมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่ให้เห็นการเกิดดับก็เพื่อให้เราจะได้ไม่ไปเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่เกิดดับเกิดดับนี้เอง อันนี้มันต้องมีมีเป้าหมายของการเห็นบางคนก็เห็นเอาสุภาษแต่ไม่รู้เห็นแล้วเอาไปทําอะไรเห็นแล้วก็ต้องเอาไปละกามารค ะ, ะเวลาเกิดกามารมก็ต้องเอามาหยุดมันเหมือนได้น้ํามาถังหนึ่งก็เอาไว้สําหรับดับไฟเวลาไฟลุกก็จะได้ศาสตร์น้ําใส่เข้าไปไฟมันจะได้ดับได้ไม่ใช่เอาน้ํามาเวลาเกิดไฟก็ไม่ได้ใช้ ใช้น้ำปล่อยน้ำทิ้งไว้เฉยๆน้ำนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการเห็นอสุภะก็ดีเห็นเกิดดับอนิจจังอนัตตาก็ดีแต่พอเวลาเกิดความทุกข์ใจเกิดตัณหาขึ้นมาก็ไม่เอามาใช้เพื่อหยุดตัณหามันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมันเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นการเห็นไายลักการเห็นอริยาาสัจสี่นี้เป็นเครื่องมือให้เรามาใช้ในการ ดับความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเพราะเป้าหมายของการปฏิบัติของเราก็เพื่อการดับความทุกข์ใจนี่เองถ้าเราต้องการดับความทุกข์ใจเราก็ต้องไปดับที่เหตุของความทุกข์ใจเหตุของความทุกข์ใจก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเหตุที่จะทำให้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดับไปก็คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเห็นอสุภะนี่เอง ดังนั้นเวลาเกิดตันหาขึ้นมาก็ต้องหาหาอนิจจังทุกขังอนัตตาหาอสุภะมาดับความอยากให้ได้ละความอยากให้ได้เช่นเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาถือศีลแปดวันนี้เดี๋ยวตอนคืนอยากจะเข้าไปนอนกับสามีกับภรรยาอย่างนี้ถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องดึงเอาอสุภะออกมาให้ได้ต้องให้เห็น ว่าร่างกายของสามีร่างกายของภรรยานี้เป็นเหมือนซากศพมีอาการสารสิสองที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าดูน่าชมถ้าเห็นอ ว, วัยวะต่างๆที่อยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังมันก็จะดับการอารมณ์ได้คืนนี้ก็จะรักษ า, ส, าสีนแต่ต่อไปได้ถ้าไม่มี อาสุภาพเดี๋ยวตกเดึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกว้าเหวเดี๋ยวก็ย่องไปเข้าไปห้องนอนของสามีของภรรยาจนได้อันนี้เราต้องรู้ถึงเป้าหมายของการปฏิบัติของเราว่าเราต้องการละตันหาทั้งหลายให้หมดไปเพราะตันหาทั้งหลายนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองนี่คือเรื่องของความเพียรพยายามที่พวกเราควรที่จะ พยายามผลักดันตัวเราเองให้เพียรอยู่อย่างต่อเนื่องให้เพียรมากขึ้นไปถ้ายังไม่ได้เพียรเต็มร้อยก็ต้องพยายามเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตอนนี้เพียรเพียงร้อยละสิบก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเพียรขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงได้เต็มร้อยเพราะว่าท้าเพียรไม่เต็มร้อยผลก็จะไม่ปรากฏเต็มร้อยนั่นเอง ถ้าเราต้องการผลเต็มร้อยต้องการมากสี่พ้นสี่นิพานหนึ่งเราก็ต้องเพียรเต็มร้อยตอนนี้เราเพียรแค่หนึ่งในเจ็ดวันคือวันพระแล้วก็เพียรเพียงครึ่งวันหรือชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นวันพระนี่เราก็ต้องเพียรให้ได้ทั้งวันก่อนพอเพียรวันพระได้ทั้งวันก็เพิ่มเป็นสองวันสาวันสี่วันไปจนกระทั่งเพียรทั้งเจ็ดวันได้ แล้วผลต่างๆมันก็จะปรากฏตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความเพียรเพื่อที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราริปุเรนติสาคลัเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปติตังลุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัเพปุเรนตุสังกาปายันโทปัญหระโสยะถามณิโชติ ราโสยะาสพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะทวันตรายสุขีธีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมาวัฏานติอายุวันโอสุขังภา ล<า>ท่านที่มาที่หลังอยากจะเอาของเข้ามาถวายแล้วอยากจะมารับหนังสือซีดีก็เชิญเข้ามาได้ตอนนี้ถ้าใครอยากจะถามปัญหาอะไร<ฮ>ก็เชิญถามได้ ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางอินเทอร์เน็ตเขาถามพระอาจารย์ครับมีคำถามจากชาวต่างชาตินะครับคุณลับนะครับถามมาขอให้พระอาจารย์เมตตาตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับ why we have family and the person brothers parents sister who are they from early life what is the connection with family my brother have sad life And my life is happier than his life. Why different? Because we brothers. The reason why we have family, have husband, have wife, have sons, have daughters, because we have sexual desire. In Buddhism, we call kama tanha. When you have kama tanha. Then you have to satisfy your desire by having the object that you attach to. So if you have sexual desire, then you would have to go look for somebody you like, so you can have sexual activity. After you have sexual activity, then you will uh, create. sons and daughters. The reason why we people have different happiness or sorrow is because we have different karma. Some have good, a lot of good karma. If you have a lot of good karma, then you will have a lot of happiness. If you have a lot of bad karma. Then you will have a lot of unhappiness. For instance, if you kill, you steal, you cheat your wife or your husband, you lie, you drink alcohol, then the probability is that you will have more sadness than someone who doesn't kill, doesn't uh, steal, doesn't cheat on. On their husbands or w i f e doesn't lie, doesn't drink. So, is each individual action, which in Buddhism we call karma. Karma means action of of body, of of speech, and of mind. If you think. If you do and if you say bad things, then you will have bad result. Your life will be full of unhappiness. If you think, do or say good things, then your life will be blessed with happiness. So the Buddha say, if you want to have good life, happiness, then you must. Do good karma. If you don't want to have unhappiness, then you must avoid doing avoid doing bad karma. And if you don't want to have families, then you must stop your sexual desire. In order to stop your sexual desire, you must meditate. First, meditate to calm your mind. After your mind becomes calm, then you can teach your mind to look at the unpleasant thing, the unpleasant part of the body. When you see the unpleasant part of the body, then you will, then you can eliminate your sexual desire. So this is my answer in English. คำถามข้อต่อไปจากคุณเบญจพรนะครับกาเปลียนถามถึงวิธีหยุดความอยากไม่ให้ทุกขเวทนาเกิดทุกขเวทนานี้อยากไปอยากให้ไม่ให้เกิดเพราะความอยากไม่ให้เกิดนี่แหละที่ทําให้เกิดความทุกขขึ้นมาในใจพอเกิดความทุกขขึ้นมาในใจก็จะทนกับความทุก เขเวทนาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจความทุกข์เวทนาทางร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าน้ำหนักมันเบามากถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากการที่เราจะไม่มีความอยากให้ความทุกข์หายไปเราก็ต้อง ทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนเราต้องเจริญสติเพื่อให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิเป็นอุเบกขาพอเรามีอุเบกขาแล้วเวลาเกิดทุกขเวทนาเราก็จะได้สอนใจใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปให้อยู่เฉยๆให้อยู่กับวิอุเบกขาไว้แล้ว ความทุกข์ใจที่ใหญ่โตก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ที่เกิดทางร่างกายก็จะรู้สึกว่าเป็นความทุกข์เพียงเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเวลาที่หมอบอกว่าจะฉีดยาให้ยังไม่ทันฉีดเลยใจทุกข์ไปก่อนแล้วแต่พอฉีดจริงๆแล้วมันเจ็บแค่ไหนมันก็แค่เข็มจิ้มเข้าไปในเนื้อนิดเดียวเท่านั้นเอง แต่ความเจ็กทางใจนี้มันใหญ่โตวกว่าหลายเท่าถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาฉีดก็ฉีดใจก็จะไม่ทุกข์แล้วเวลาฉีดก็เจ็บนิดเดียวนี่คือวิธีอย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าเราต้องมีเครื่องมือเราต้องมีสมาธิต้องมีอุเบกขาเราจึงจะทำใจสอนใจให้ ไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขานี้ใจมันจะไม่ยอมฟังปัญญาเหมือนคนที่คนที่ใจเบาหูเบาอย่างนี้เป็นต้นเวลาใครพูดอะไรปั๊บนี้จะเชื่อทันทีจะรับเต็มลูปเต็มเต็มร้อยเลยแต่คนที่มีอุเบกขานี้ จะฟังหูไว้หูก่อนจะใช้ปัญญาพิจาราก่อนว่าจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูกดังนั้นถ้าใจเรายังไม่มีื่อเบกคานีใจจะเป็นแบบมีอารมณ์วูบว่ามีอะไรมาให้สัมผัสก็จะมีปฏิกิริยาทันทีถ้าชอบก็ชอบดีใจเต็มที่เลยถ้าไม่ชอบก็โกรธเต็มที่เลยทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ไป พิจารณาเลยว่าจริงหรือเปล่าแต่คนที่มีอุเบกขาแล้วจะฟังหูไว้หูใครจะมาเล่าอะไรให้ฟังก็ฟังไว้ก่อนจะไม่ดีใจจะไม่เสียใจทันทีเช่นคนมาบอกว่าเขาด่าคนอย่างวุ่นอย่างนี้เรายังไม่ทันได้ยินเขาด่าเลยพอเพลงแต่ก็ามาพูดแค่นี้ก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีอุเบกขาไม่มีความ ความสงบจะเป็นคนวูว้ว่าเจ้าอารมณ์จากคนที่มีอุเบกขานี่จะเป็นคนที่มีเหตุมีผลดังนั้นก่อนที่เราจะพิจารณาปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของเหตุของผลได้เราต้องให้มีใจที่เป็นอุเบกขาก่อนถ้าใจไม่มีอุเบกขานี่พิจารณาทางปัญญาจะรับไม่ได้พอให้พิจารณาความตายใจก็หดหูขึ้นมาทันทีเลยกลัวขึ้นมาทันทีเลย ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ไปเจอความตายเลยเพียงแต่ให้คิดแค่นั้นก็คิดไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอุเบกขาถึงบอกว่าการจะเจริญปัญญาได้จะต้องมีอุเบกขาก่อนจิตต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีอุเบกขาจะไม่กล้าพิ จ, จารณาจะไม่กล้าฆ่าจะไม่กล้าเข้าประชิญกับทุกขเวทนาคนที่ไม่มีอุเบกขานจะไม่กล้านั่งให้เจ็บแล้วทนกับความเจ็บ ให้ความเจ็บมันหายไปเองแต่คนที่มีอุบเบกขาแล้วก็อยากจะเจออยากจะอยากจะผ่านทุกเขเวทนาะยาั้นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขาแล้วอย่าไปหวังเรื่องของการเจริญปัญญาเลยปัญญาที่เจริญเป็นปัญญาที่เรียกว่าไม่ใช่ภาวนามาย์ปัญญานั่ยนี่เป็นจินตมยยะปัญญาคือเป็นการคิด ไปเท่านั้นเองคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนั้นทำนี้แล้วก็จะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้คิดได้แค่ น, นี้ก็คิดว่ารู้เรื่องเข้าใจแล้วจบแล้วผ่านแล้วแต่ยังไม่ผ่านอันนี้เป็นเพียงการคิดหรือเป็นการวางแผนเท่านั้นเองยังไม่ได้เอาไปทำตามแผนที่วางไว้พอจะให้ไปทาก็ไม่กล้าทากลัวจะให้ไปนั่งป่าช้าคนเดียวก็กลัวไม่กล้าไป แต่คนที่มีอุเบกขาแล้วไปไปหมดไปไหนไปได้ไปนั่งอุเบกไปนั่งในป่าช้าไปนั่งในป่าที่ไหนตรงไหนได้หมดถึงแม้ว่ายังจะมีความกลัวอยู่แต่ก็มีอุเบกขาพอที่จะคอยอคอยทําให้มันไม่รุนแรงจนเกินไปก็ยังพอที่จะพาให้เข้าสู่ไปหาความจริงได้ดังนั้นเรา ต้องเจริญสติให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีสติใจก็จะไม่รวมเป็นสมาธิถ้าใจไม่รวมเป็นสมาธิก็จะไม่ได้อุเบกขาไม่ได้อุเบกขาก็จะไม่มีทางที่จะพิจารณาทางปัญญาได้ว่าพิจารณาอะไรขึ้นมาใจจะวู้ว่าฟขึ้นมาทันทีเช่นบอกคำว่าอุสุภะคำว่าอัสุภะคาเดียวก็ก็ไม่เอากันละหงายหลังตูมกันละนี่ขอถาสอนเรงที่ทว แน่ใจบอกว่าเมื่อมีสมาธิและอุเบกขาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นแหละมันก็เป็นผลของสมาธินะหรือว่าเมื่อจิตวางเบิกขาจะอารมณ์ภายนอกทั้งฟวงจึงเกิดสมาธิขึ้นเหมือนเป็นของคู่กันเนี่ยมันพของอันตัวเดียวกันเนี่ยจะมีสมาธิก็มีอุเบกขาไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีสมาธิเหมือนร่างกายกับเงาเราเนี่ยมันมีร่างกายมันก็มีเงามีเงาก็แสดงว่ามีร่างกาย อย่าไปอย่าไปติดกับไอตัวอักษรตัวชื่อเหมือนกันละกันี่เมื่อที่ก่อนยมจะไปหาหมอที่หมอกำลังจะฉีดยาใช่ไหมพยายามทำใจนิ่งๆจว่าเจอเกวยร์ีสุ้งอ่ะทีนี้มันควรจะแก้งไงตรงก็ก็ยังอุเบกขาน้อยไปไงก็ต้องเจริญสติให้มากเข้าเข้าสมาธิให้นานอยู่ทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยให้มันนิ่งไปไม่ได้นานเออให้มันรวมลึกๆเข้าไป ร่างกายหายไปเลยสักแต่ว่ารู้หรือถ้าร่างกายไม่หายได้ยินเสียงเสียงแต่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอารมณ์กับเสียงที่ได้ยินมีอาการเจ็บ ต, ตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่มีอารมณ์เฉยเฉยกับมันเนี่ยเรียกว่าโอบเบกขาความนามันยังไม่ไม่ต่อเนื่องมันนานอย่างที่ทุกคนก็มน <c oughs> ไม่ปฏิบัติต่อเนื่องมันจะได้ผลต่อเนื่อ ง, อ ย, งยังไงก็กลับมาที่ผลเน่ยดูที่ดูที่เหตุเนี่ วันเจริญสติทั้งทั้งวันหรือเปล่านั่งสมาธิวันละกี่ครั้งกี่ชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่เหตุชอบไปดูที่ผลเงินทําบ่อยๆทำเ น, เนืองๆจนชนานาญความทรงของอารมณ์ที่เป็นสมาธิก็จะอยู่นานขึ้นสุดไปมเจ้าคะจะอยู่ได้ก็ต้องไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีแสงสีเสียงมาคอยหลอกมาคอยลอ่อไม่มีคนนั่นมาชวนคู่ชวนคุย ชวนไปเที่ยวที่นั่นชวนไปเที่ยวที่นี่เราไเปลกุล้เวกอยู่คนเดียวจารครับหากมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องเจ็บตัวหรือว่าต้องทนเนีนะครับอาจารย์ถ้าใช้อุเบกขาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะครับอาจารย์เหมือนปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บไปแต่เราไม่ต้องไปสนใจมันหรอครับอาจารย์นั่นแหละถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะสบายจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆด้วย ไม่ทุกกับเรื่องของร่างกายเวลาหิวข้าวก็ทนได้เวลาร้อนมากๆก็ทนได้เวลานาว่างมากก็ทนได้เนี่ยขันติมันเกิดจากภูเบขานี่ครับคำถามข้อต่อไปจากคุณดาวพมรบุตรนะครับเมื่อพิจารณาขันห้าไม่ยึดถือในตัวเองความทุกข์หมดไปแต่ถ้ามีความทุก จากบุคคลรอบข้างเช่นลูกเกเรเป็นปัญหาให้แม่ต้องแก้ไขเป็นทุกข์ไม่ทราบต้องพิจารณาจากธรรมะขอ้อใดก็เหมือนกันไงขันห้าของเรากับขันห้าของคนอื่นก็เหมือนกันนี่แสดงว่าเราเพียงแต่พิจารณาของเราเราไม่พิจารณาของคนอื่นพระพุทธเจ้าบอกให้พิจารณาทั้งของเราและทั้งของคนอื่นพิจารณากายในแล้วก็พิจารณากายนอก เราพิจารากายนอกและกายในเป็นพร้อมๆกันเลยให้จะได้รู้ว่ามันเหมือนกันร่างกายของเราเป็นอย่างไรร่างกายของลูกเราก็เป็นอย่างนั้นร่างกายของเราเป็นอย่างไรของสามีของเพื่อนของใครก็เป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแสดงว่าพิจารณาแต่ของเราพิจารณาขันห้าของเราแต่ไม่พิจารณาขันห้าของคนอื่นปล่อยขันห้าของเราได้แต่ปล่อยขันห้าของคนอื่นไม่ได้ ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยกันห้างของเราได้มันปล่อยของคนอื่นได้หมดอนะเพราะขันห้างของเราสําคัญกว่าขันห้าของคนอื่นใช่ไหมเราจะรักตัวเรากับรักตัวของคนอื่น ข, ของใครจะมากกว่ากันแต่ก็ไม่แน่ถ้าความหลงมากๆอาจจะรักร่างกายชีวิตของคนอื่นมากกว่ารักรักร่าง ก, ก, กายของตัวเองก็ได้อันนี้ก็อาจจะมีได้แต่น้อยส่วนใหญ่เราจะรักตัวเรามากกว่ารักตัวของคนอื่น ถ้าเราปล่อยตัวเราได้นะมันเราจะปล่อยตัวคนอื่นไม่ได้เพราะมันง่ายกว่ากันนอกจากว่าเราหลงรักเขามากกว่ารักตัวเราเองเท่านั้นนะอันนั้นก็อาจจะยากก็ได้ดังนั้นพระเจ้าถึงสอนให้ต้องต้องพิจารณาทั้งของเราและทั้งของคนอื่นเพื่อมันจะได้ปล่อยวางได้หมดมีไหมไม่มีแล้วครับพระจ้มีสองคำถามนั่นลังอ่า ตอนที่เราเราสงบแล้วเราหยุดความตรงนั้นนะคะสักระยะหนึ่งแล้วเราจะมีความรู้สึกไปถึงลมหายใจเราแสดงว่ามันออกมาจากสมาธิแล้วอถ้ามันมันคือเรายุดการนตันยิงตรงนั้นก็คือว่าเราจะไม่รู้ถึลงลมหายใจไม่รับรู้อะไรเลยหรือว่าถ้ารับรู้ก็ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้อยู่ที่เราจะมารู้สึกที่ลมหายใจสักพักนึงแล้วเราก็จะกลับเข้าไปไหน ก็ได้เราอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็จิตเรากำลังยังไม่พอต้องฝึกอีกสติเรามีกําลังแค่อยู่ได้ชั่วคราวเขาเรียกคณิกะอยนี้อยู่อยู่ไม่ได้ไม่นานหมดกําลังกิเลสที่จะคอยดันให้ออกมามันก็จะดันใจให้ออกมารู้ลมหายใจนี่เรียกก็กลับมาที่วิตกวิจารแล้วใช่ไหมคะถ้ว่าอย่างนั้นก็ได้วิตกก็คือตึกจองวิตกวิจารณเขาตึกจองรับรู้ตึกเรื่องลมหายใจตรองเรื่องลมหายใจ ก็ออกก็ออกมาหยาบขึ้นจิตก็จะหยาบขึ้นถ้าเราอยากจะกลับเข้าไวใหม่เราก็ดูลมหายใจต่อไปข้อสำคัญยาให้ใจได้ตึกได้ตรองได้คิดให้รู้เฉยๆยให้เข้าดูเฉยเฉยแต่ว่ารู้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เราก็ต้องพยายามเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องมาเจริญสติต่อ อย่าปล่อยให้จิตได้มีสติควบคุมถ้ามีสติต่อเนื่องต่อไปเวลาตั้งสมาธิก็จะลงลึกแล้วก็อยู่ได้นานเพราะกิเลสตัณหามันอยู่้างไงมันจะคอยดันออกอยู่เลยกิเลสตัณหามันอยากจะให้ใจออกไปหาลู้เสียงกลิ่นรสผลพภะส่วนสติก็พยายามที่จะดันให้มันเข้าหาอุเบกขามันก็เป็นเหมือนกับการต่อสู้กัน ฝ่ายไหนมีแรงมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะถ้าสติมีแรงมากกว่าสติก็จะดันใจให้เข้าสู่เบกขาได้พอสติอ่อนกําลังลงกิเลสตัณหามีกําลังมากกว่ามันก็จะดันให้จิตออกมาหารูปเสียงกิริย์ลดห า, หาตาหูจมูกเล่นกายมันก็เป็นการต่อสู้กันไปอย่างนี้เราจรึงจําเป็นจะต้องสร้างสติขึ้นไปจนให้ได้สติเต็มร้อยที่เรียกว่ามหาสตินี่ ถ้ามีสนะม า, าสติก็คือเราสามารถควบคุมใจได้ตลอดเวลาสั่งให้มันเข้าอยู่ข้างในได้ตลอดเวลาสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้เรียกมาสติมหาปัญญาถ้าเป็นมหาสติมหาปัญญ า, า, า, า, า, ญญาท่านก็บอกว่ า, วามันก็จะทำงานตลอดยกเว้นเวลาพักผ่อนหลับนอนเท่นะั้นพอตืงนขึ้มาปั๊บสติก็โผล่มาปัญญาก็จะหมุนตาม อย่างนี้กิเลสตันหามที่มีหลงเหลืออยู่เท่าไหร่มันก็จะค่อยถูกทำลายไปจนหมดในที่สุดได้มีน้คุณเขาฝากถามมาเจ้าคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยสามารถพิาจารณากายแหลกเอียจนพลีผงจนระเบิดเป็นเป็นดิ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าประมาณว่าคนนั้นได้บรรลุพระสวรบันฑ์ยังหรอกอยังไม่ได้ไปเจอของจริงไงยงบอกว่ายังไม่ได้เข้าห้องสอบ ดังที้บอกว่าเห็นอะไรเกิดดับเกิดดับแต่ยังดับตัณหาไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรโดยที่จะรู้ว่าบรรลุไม่บรรลุก็อยู่ที่ว่าดับวิภาวะตัณหาได้หรือเปล่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้หรือเปล่าการจะรู้ว่าดับไม่ได้ก็ต้องไปดูตอนที่มันเกิดมันยังไม่เกิดเราจะไปรู้ว่าเราดับมันได้เลยต้องให้ไฟมันลุกก่อนเดีถึงจะรู้ว่าเราดับไฟได้หรือเปล่าไฟไม่ลุกเราเพียงแต่คิดว่าเรามีน้ําพอที่จะดับมันได้ แต่มันยังไม่เกิดไปเราจะไปรู้ได้ยังไงอยากจะรู้ว่าดับได้ไม่ได้ก็ไปเจอหาความตายดูสิไปหาความเจ็บดูแล้วเกิดเกิดความอยากไม่เจ็บไม่ตายดูแล้วดูสิว่าจะดับมันได้หรือเปล่าอย่านั้ตอนนั้นถึงจะให้เห็นว่าร่างกายระเบิดกลายเป็นผุ้ผุ้ยผงไปเลยเวลาไปหาความตายอย่างนั้นนะ่ยมันถึงจะละความอยากไม่ตายได้ แต่มานั่งสบายๆแล้วนั่งเห็นร่างกายระเบิดมันก็เหมือนนั่งดูหนังมันมีประโยชน์เลยใช่ไหมกลัวไม่เวลาวคนดูหนังคนบางคนก็กลัวนะเห็นหนังผียังไม่เจอของจริงเลยยังกลัวได้เลยในคนพวกปัญญาอ่อน <laughs> ปนัญญาของปลอมยังกลัวเลยแล้วเวลาไปเจอของจริงมันจะ <laughs> อันนี้ก็เือนกันเห็นของปลอมอย่างที่บอกว่าเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับเห็นร่างกายแตกเป็นเสี่ยงไปอะไรเห็นเฉยๆแต่ใจไม่มีความรู้สึกแตกต่างอะไรขึ้นมาอันนี้เห็นอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเออถ้าเห็นแล้วความกลัวตายไม่มีเลยนี่อ่าอันนี้ก็น่าน่าฟังหน่อยแต่มันจะไปรู้ได้ไงว่าความกลัวตายมีหรือไม่มีในเมื่อยังไม่ไปทำให้มันเกิดขึ้นมาก็ต้องไปอยู่ป่าช้าดูเลย ไปหาเสือหาสัตว์อะไรดูอแลดูซิว่ามันยังกลัวหรือเปล่าถ้ากลัวแสดงว่ายังไม่ยังไม่เห็นจริงไม่เห็นร่างกายนี้ดับจริงเขาที่สองเขาฝากถามมานะคะคือข้อครของเขาทํางานแบบองศ์นะีะ่ทีนี้พี่ชายก็ด่าดตลอดเวลาไปทําบุญเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาทําอย่างนี้แล้วเขาจะแก้ปัญหายัางไงหนูตอบว่าให้ให้อดทนไปก่อนเพราะว่าเขาเป็นเหมือนข้อทดสอบที่จะ ให้เรารู้ว่ากิเลสในใจเราตัวโกรธตัวน้อยใจยังมีอยู่เพื่อที่เรจะตัดตะกอนนี้ออกไปตรงนี้อาจารย์มีอะไรเสนอคะก็ปัญหาก็อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงที่ไม่อยากอยู่กับครอบครัวที่ทํางานพงส์ศรีเพถูกดาวไปทําอยู่ด้วยก็ไปได้ไปบวชไปอยู่วัดเลยไม่ทนอยู่ทําไมทนเสียเวลาทําไมคือก็ยังต้องดูแลแม่อยู่ด้วยนะคะอ๋อท่านต้องอยู่ก็ทนไปถ้าไม่ต้องอยู่ก็อยู่ไปทําไม มีนนปัญหาตรงนี้ก็ยังทําตรงจุดที่อาจารย์พูดไม่ได้นะครอบก็ช่วยก็ต้องทนไปยังยังทําถ้ายังไปไม่ได้ก็ต้องอยู่ อ, อ, อยู่ก็ต้องทนถ้าอยู่แล้วไม่ทนมันก็จะทุกข์มันต้องทําใจเป็นอุเบกขาพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆจะได้ปล่อยวางคนอื่นได้คนอื่นก็จะพูดเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเเปัญหาอยู่ที่เราที่ใจไม่เป็นอุเบกขาท่า น, นเอง ไปมีอารมณ์กับการกระทำของเขาเพราะความอยากของเราอยากไม่ให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าทำใจเป็นอุเบกขาได้ก็จะไม่มีอารมณ์จะไม่มีความอยากเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปต่างคนต่างอยู่ไม่มีปัญหาอะไรน้ำบนใบบัวนะอุเบกขาใจที่เป็นอุเบกขาก็เป็นเหมือนใจที่น้ำอยู่บนใบบัวมันจะไม่ซึมเข้าหากันไม่ดูดกัน แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาปั๊บมันก็จะดูดกันเลยเหมือนกระดาษกันเนาะกับใบกับน้าเนี่ยมันเจอกันมันจะซึมเหมือนเป็นเนื้อเดียวเล ย, ยนั้นถ้าอยากจะอยู่กับใครให้สบายใจก็ต้องเจริญอุเบกขาให้ได้ฝึกสมาธิให้ได้แต่สมาธิก็จะได้แต่เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิพอจะสมาธิมาพอไปรับอารมณ์ก็กลายเป็นกระดาษไปเลยไม่กลายเป็นใบบัวแล้ว ก็ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นน่ะถึงจะรักษาอุเบกขาได้ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นอุเบกขาได้ทีนี้คนที่รับฟังปัญหาอย่างคนนั้นโทรมาปรึกษานี้โทรปรึกษาบางครั้งมีความสุขว่าเรากลายเป็นคนทุกแทนเขา <laughs> <laughs> ก็เราไม่มีอุเบกขาไงล้วก็เด <laughs> ใช่อย่างเราไม่ทุกเนี่ยใครมาเล่าอะไรเราฟังเราก็ฟังเราก็บอกวิธีแก้ไปแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็หลวอองเขาใจเราเป็นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาหรือวถ้าไม่ดีก็ทําให้ดีในตัวเรา <c oughs> ก, ก็ต้องนี่แห <c oughs> ละการปฏิบัติเป้าหมายก็เพื่อให้มันเป็นอุเบกขาตลอดเวลาตอนนี้เราได้เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิพอแยกสมาธิมาอุเบกขาก็หายไปเพราะไม่รักษาด้วยปัญญา ไม่รักษาด้วยสติการการมีอุเบกขาครับอาจารย์หากเรื่องไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยแต่หากเรื่องไหนที่เราช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเป็นกรรมของเขาไปใช่ไหมครับอาจารย์คือคําว่าอุเบกขาเต้องแยกว่ามันไม่ได้เป็นการทําหรือไม่ทําอันนี้เป็นเรื่องของใจเรื่องของใจที่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ส่วนที่จะทําอะไรไม่ทำนี่อยู่ที่เหตุผล อยู่ที่ความเป็นไปได้ถ้าเราอยู่ในฐานะที่ทำได้เราก็ทำไปถ้าเราอยู่ในฐานะที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ทำท่า น, นั้นเองแต่ใจก็ยังเป็นอุเบกขาเหมือนเดิมอยู่คำ mm hmm. ว่าอุเบกขาไม่ใช่ว่าให้อยู่เฉยๆงอมืองอเท้าไม่รับรู้อย่างที่หลวงปู่ชาท่านมีลูกสิษย์รูปหนึ่ง mm hmm. หลังาคากุฏิรั่วท่านก็ไม่ซ่อม ก็ปล่อยให้หน้ามันไหลหยดเติงตง ต, งตงท่านก็บอกนี่ไม่ใช่อุเบกขาเขายายไหมนี่ขี้เกียจพระอาจารย์ครับคุณหยกผู้ดูแลเพจคณะศิษย์พระอาจารย์สุชาติอรพิชาโตผู้เป็นคนแกะเสียงแสดงธรรมแล ะ, ะช่วงถามตอบแจ้งมาว่าตอนนี้รวบรวมได้ประมาณสามร้อยหน้าแล้วครับ น่าจะเป็นธรรมะบนเขาได้สักสองเล่มแล้วครับตอนนี้ครับอาจารย์แล้วยังไงล่ะจะจะทําอะไรต่อจะทําจะพิมพ์เป็นหนังสือเลยหรือ ว, ว่าจะก็น่าจะรวบรวมเป็นหนังสือธรรมะบนเขาครับอาจารย์แล้วตอนนี้ได้ประมาณสาม้อยกว่าหน้านะครับอาจจะได้สักสองเล่มแล้วครับตอนนี้ครับอาจารย์ก็ควรที่จะตรวจช่วยกันตรวจสอบกันก่อนคาสะกดบ้างคําที่ เขียนผิดบ้างหรือตกไปบ้างเพราะบางทีอ่านบางบางที่ที่เ ท, ท่าที่ได้อ่านดูก็มันก็มีมีตกบ้างมีคำคาที่มันขาดไปหรือผิดบ้างอะไรนี่ก็ควรที่จะแก้ให้มันถูกแล้วก็ควรจะทำเป็นวันๆไปก็จะได้รู้ว่าเอออันนี้เป็นของวันที่นี้ตั้งแต่ต้นไปถึงจบเลยอย่างที่ทำในหนังสือจุลธรรมนี่ก็เป็นทำแบบ ตั้งแต่เริ่มเทศมาจนกระทั่งถึงตอนตอนท้ายก็มีถามต่อปัญหาก็ทําไปมันจะได้จะได้รู้ว่าเป็นตอนตอนไปของวันนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้แล้ววันแบ่งเป็นวันที่ไปจําจําเป็นต้องเรียงวันที่ไหมครับหรือว่าสลับได้ครับอาจารย์ถ้าเลียงวันที่ได้มันก็จะดีมันจะได้เป็นเป็นไปตามความจริง จะได้ให้เห็นว่ามีความตั้งใจมีระเบียบไม่ใช่ทำกันแบบสเปะสปะคว้านุน่นคว้านี่มาใส่ตรงนู้นหยิบตรงนี้มันมันเป็นลักษณะของคนไม่มีสติคนมีสติที่ทำอะไรจะต้อง เ, อเป็นขั้นเป็นตอนอมีความเรียบร้อยอมีที่มาที่ไปนีเ่เราทำทุกหนังสือทุกเล่มแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทำตามวันที่ ตั้แต่เริ่มมาตั้งแต่ปีสามเก้าที่เราเริ่มเทศมาเนี่ยถอด อ, อกมาก็ทําเป็นวันที่ไปใส่ตามวันที่ไปตามลําดับยกเว้นว่าบางครั้งมันมีคนอื่นเอาวันวันของเก่ามาแทรกอันนี้ถ้าจะไปเปลี่ยนลําดับวันที่มันก็ยุ่งยากต้องไปเปลี่ยนไลมาอย่างนี้เราก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็พยายามจะทําตามลําดับของวันที่ไปจะได้ติดตามได้ง่าย เวลาเราอยากจะรู้อะไรของมันเราก็ไปดูตามวันที่เราอาจจะได้เห็นการพัฒนาของการของการแสดงธรรมด้วยว่ามีการพัฒนาไปมีอะไรอย่างไรเดี๋ยวคงให้คนในเฟซบุ๊กที่รู้จักกันช่วยกันแก้ตรวจสอบคำผิดก่นะครับพระา อ, อาจารย์ก่อนจะเป็นต้องฉบับใช่ก็จะ จะทํากี่เล่มเอาเล่มแรกก่อนอย่างนี้เลยเอาทำเอาทําตามแผนดีไหมแผนเนี่ยแผนเปล่าเปล่าแผ่นแรกสมมติแผนแรกมีเท่าไหร่แล้วก็ทําตามแผนไปจะดีไหมมันจะได้เป็นเป็นแผนไปแผนหนึ่เล่มแผนหนึ่งมีเกมก็ทําไปถ้าขาด ขาดค่าค่าพิมพ์นักเสือก็บอกเราก็แล้วกันเราจะช่วยออกให้เดี๋ยวคงร่วมกันนะครับว่าปัจจัยนี้ก็ก็มีอยู่เนี่ยเพียงแต่ว่าเราก็เก็บเก็บเอาไว้เวลามีความจำเป็นจะใช้อะไรก็เอาไปใช้ได้ถ้าเวลาทําเวลาจะไปพิมพ์ก็บอกเราก็แล้วกันถ้าค่าพิมพ์เท่าไรขาดเหลือท่าไห ร, ห ร, ไหรเราก็จะจะดูแลให้แต่คงจะพิมพ์ไม่ต้องมากก่อนมั้ง แค่พันเล่มก่อนก็พอเพราะว่าเราจกกันในวงวงวงในเฉพาะคนที่มามาฟังเทศฟังธรรมหนังสือจุลธรรมพวกนี้ก็จะก็จะพิมพ์ประมาณพันสองพันเล่มเท่านี้แต่พอพิมพ์แล้วเดี๋ยวก็มีเจ้าภาพใหญ่เขาอยากจะมารับพิมพ์ต่อเองนะกรณี ตรวจกันภายในเสร็จแล้วก็มีคําที่ไม่แน่ใจเราจึงเอาออกมาขีดเส้นใต้ก็จะมีประโยคที่ไม่แน่ใจเมลมาให้เราก็เลยอีเมลมาให้เราแล้วเราจะแก้ให้ส่งมาทางอีเมลคือข้อความตรงไหนที่ฟังแล้วไม่แน่ใจก็ส่งมาให้เราอ่านดูแล้วเราก็จะแก้ให้ส่วนข้อความที่มันชัดๆัดเพียงหน้อาจจะพูดผิดแทนจะพูดว่าเป็นใจกลับไปพูดว่าเป็นกายอย่างเนี้บางทีเวลาพูด เ, ดเร็วๆมัน ก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้ก็ฟังแล้วก็จะรู้เองก็กแก้กันไปแต่ถ้ามีความหมายที่ลึกซึ้งหน่อยที่ไม่แน่ใจก็ส่งข้อความมาให้ถามเราแล้วเราจะตอบไปใหอ้อีเมลของเราก็อยู่ที่คุ ณ, คณต่อมีอคุณตอบไปก็ได้ถ้าจะพิมพ์กลับที่โรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือจรธรรมนำใจก็ ก็ได้นะเพราะเขาเคยทำมาเขาจะรู้อิดอตั้งเลือกที่สินสยามนี้เขาพิมพ์เนี่นี้ก็ก็ได้แล้วแต่อาแล้วนะวันนี้ที่ว่าพอสมโวนแก่เวลาขอให้นำในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ <laughs> ขออนุญาตไปก่อนเผื่อว่าจะมีคนเขาจะร่วมมุญด้วยะจะได้ อ, อนุญาตไปก่อนไปก็บอกว่าถ้าทางนร้อะไรก็กได้ด้ค ร, ครับช่วยครับช่วยช่วยอะไรครับ